มูลายะปฏิกัสตะอัพพานว่าด้วยอัพพานภิกษุผู้ถูกชักเข้าหาอาบัตเดิมท่านพระอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้ห้าวันละ